วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่20กันยายนพุทธศักราช2563เป็นวันที่เราได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งในบรรยากาศอันชุ่มฉ่ำของพายุผลจะที่เกิดจากอิทธิพลของพายุโซนน้อนที่พัดผ่านเข้ามาในประเทศ จึงทำให้มีฝนตกอยู่ตลอดทั้งวันในวันนี้ก็ขอให้ขออภัยในความไม่สะดวกเพราะสถานที่นี้ไม่ได้เตรียมไว้รองรับผู้คนมาได้สะดวกก็เฉพาะวันที่อากาศดีอากาศไม่ดีก็ต้องทำใจกันมาตามความสมัครใจ ไม่ได้ถูกบังคับให้มาอันนี้ก็ต้องขออภัยในเรื่องฝนฟ้าอากาศด้วยวันนี้เรามาฟังธรรมกันการฟังธรรมนี้เรียกว่าเป็นการเจริญปัญญาบารมีปัญญาบารมีนี้เป็นธรรมที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด ต่อการบรรลุถึงมรรคผลนิพพานเพราะถ้าไม่มีปัญญาการจะบรรลุมรรคผลนิพพานหรือการจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตรนี้จะเป็นไปไม่ได้ต้องมีปัญญาบารามีและปัญญาบารามีนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีพระพุทธศาสนา มีพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เป็นผู้ถ่ายทอดปัญญาบารามีที่พระพุทธเจ้าออได้ส่งเป็นผู้ตัดสุรุลนนำเอามาสั่งสอนมาเผยแผ่ให้แก่สรรโลกอย่างพวกเราถ้าปราศจากปัญญาบารามีถ้ามีบารามีอย่างอื่นเช่นสติบารามีสมาธิศีล จะไม่เพียงพอต่อการหลุดพ้นยังต้องติดอยู่ในไตรภพอยู่ถ้าได้สมาธิก็จะติดอยู่ในรูปฌปานอยู่ในรูปภพถ้าได้สมาธิในระดับอรูปฌานก็ยังจะติดอยู่ในอรูปภพถ้าได้ศีลได้การทำมุญทาทาน ก, ก็จะติดอยู่ในเทวภพและมนุษสยะภพ แต่จะไม่สามารถเข้าสู่พระนิพพานได้การจะเข้าสู่พระนิพพานได้ต้องมีปัญญาเป็นผู้พาไปปัญญาเป็นผู้บอกทางออกจากไตรภพออกจากสังสารวัฏออกจากการเวียนว่ายตายเกิดการฟังธรรมจึงถือว่าเป็นการสร้างปัญญาบารณี เป็นกิจกรรมที่พระพุทธเจ้าทรงให้ความสำคัญอย่างยิ่งยิ่งกว่าสิ่งใดทั้งหลายถ้าเราได้ศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างวัดวารามต่างๆไม่ได้ให้ความสาคัญต่อการสร้างถาวรและวัตถุต่างๆเช่นเจดีโบสถ์วิหารหรือกุฏิ สาราอะไรต่างๆแต่ทรงให้ความสำคัญต่อการเผยแผ่ปัญญาบรารมีทรงปฏิบัติพุทธกิจในแต่ละวันนี้มีการเผยแผ่ปัญญาบรารมีถึงสี่รอบด้วยกันคือในรอบบ่ายก็ทรงแสดงทำให้แก่ศรัทธาญาติโยมที่มีศรัทธา ความปรารถนาที่จะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดในยามค่าก็ทรงแสดงทำให้แก่ภิกษุภิกษุณีและสา ม, มเณรผู้ที่ปรารถนาในการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดผู้เห็นภัยในวัฏะสงสารในยามเดึกก็ทรงแสดงทำให้กับเทวดาตายทิพทั้งหลาย ในยามลุ่งอรุณตอนก่อนที่จะเสด็จออกบินทบาทก็ทรงเล็งยานดูว่าวันนี้จะไปแสดงธรรมให้กับผู้ใดเป็นกรณีพิเศษผู้ใดมีความพร้อมที่จะรับธรรมอันประเสริฐพร้อมที่จะบรรลุธรรมได้ในวันนั้นหรือมีเหตุที่อาจจะต้องทําให้เสียชีวิตไปในวันนั้นหรือในระยะอันใกล้ พระ อ, องค์ก็จะทรงเมตตาบุคคลนั้นเป็นกรณีพิเศษนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงให้ความสำคัญคือการสร้างปัญญาบารมีให้กับพุทธศาสนิกชนไม่ได้สนใจกับการสร้างวัดวาาราณสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์กันสิ่งเหล่านี้พระ อ, องค์ทรงปล่อยให้เป็นไปตามศรัทธาของญาติโยมผู้ใดมีศรัทธามีกาลัง ที่จะสร้างวัดถวายพระองค์ก็ไม่ทรงห้ามมีพระราชามหากษัตริย์มีเศรษฐีที่มีกำลังทรัพย์ก็ได้สร้างวัดวารามต่างๆถวายให้กับพระพุทธเจ้า mm hmm. แต่พระพุทธเจ้านี้พระองค์เองนี้จะไม่ให้เวลากับการก่อสร้างต่างๆ mm hmm. จะทรงใช้เวลาให้กับการสั่งสอนอบรมธรรมะ ความรู้อันประเสริฐที่จะทำให้ผู้ที่ได้เรียนรู้ได้หลุดพ้นจากกองทุกนั่นเองและความรู้คือปัญญาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรุนี้ก็เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นได้ยากมากนานๆจะมีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้านี้มาตัดสู้ปัญญาที่จะ ถ่ายถอนจิตใจของ ส, อสัตว์โลกให้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้และปัญญานี้ก็จะไม่ได้อยู่คู่ไปกับโลกไปตลอดเพราะการที่จะมีปัญญาอยู่ไปได้เรื่อยๆนั้นจำเป็นจะต้องมีการสืบทอดมีการถ่ายทอดต้องมีการสั่งสอนต้องมีการศึกษาและต้องมีการปฏิบัติ ให้บรรลุทำขั้นต่างๆถึงจะสามารถ อ, อนุรักษ์ปัญญาอันนี้ให้อยู่กับโลกไปได้ต่อไปดฉะนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับชาวพุทธเราที่จะเป็นจะต้องมันศึกษากันอยู่เรื่อยๆเพราะครูบาอาจารย์ผู้ที่จะให้ปัญญากับเราอายุของท่านก็จะมากกว่าเรา และสังขารร่างกายของท่านก็จะต้องเสื่อมโทรมจากโลกนี้ไปก่อนพวกเราถ้าพวกเราไม่มาศึกษาไม่มาปฏิบัติเพื่อบรรลุ ธ, ธรรมเราก็จะไม่สามารถที่จะถ่ายทอดธรรมหรือปัญญานี้ให้กับอนุชนรุ่นหลังต่อไปได้เมื่อไม่มีการถ่ายทอดปัญญาที่อันประเสริฐที่ พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสร้ก็จะจางหายไปจากโลกต่อไปดังที่พระ อ, องค์ได้ทรงทำนายไว้ว่าปัญญาของพระ อ, องค์นี้จะอยู่ภายในโลกนี้ได้ไม่เกินห้าพันปีหลังจากห้าพันปีไปแล้วก็จะไม่มีใครรู้เรื่องปัญญาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสร้ <c oughs> แล้วก็จะไม่มีใครจะสามารถหลุดพ้น จากกองทุกขงังแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้อีกต่อไปจะต้องรอให้มีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาตรัสรู้ปัญญาอีกครั้งหนึ่งแล้วนำปัญญานี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้เรายังมีปัญญาของพระพุทธเจ้าอยู่ในโลกนี้อยู่ยังมีครูบาอาจารย์มีพระสุปฏิปันโนทั้งหลายยังมีพระไตรปิฎก ที่เรายังสามารถที่จะศึกษาพระธรรมอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าได้และสามารถน้อมนำเอาไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้อยู่ดังนั้นสิ่งที่พวกเราควรจะวิตกกังวลก็คือความไม่แน่นอนของชีวิตของพวกเราเพราะเราไม่รู้ว่าวันใดวันหนึ่งเราจะเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมามากน้อยเพียงไรหรือไม่ก็ไม่รู้ หรือวันใดวันหนึ่งเราอาจจะสิ้นชีวิตไปก็ได้ถ้าเราเกิดอาพาธเกิดโรคภัยไข้เจ็บหรือเกิดความตายเราก็อาจจะไม่สามารถศึกษาและปฏิบัติธรรมตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนได้ดังนั้นเราจึงไม่ควรประมาทกันควรเตือนใจสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าเวลาของพวกเรานี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอน ชีวิตของพวกเรานี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนจะเป็นอะไรขึ้นมาเมื่อไหร่นี้ก็เป็นได้เสมอให้คิดอย่างนี้เพื่อที่เราจะได้รีบตักตวงธรรมะอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าในขณะที่เรายังกระทำกันได้อยู่ถ้าเปรียบเทียบธรรมะกับสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้คุณค่าของธรรมะกับสิ่งต่างๆนี้เป็นเหมือนฟ้ากับดิน คุณค่าของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นเหมือนเพชรนินจินดาแต่สิ่งต่างๆคือโลกธรรมที่มีอยู่ในในโลกนี้เช่นลาบยศสรรเสริญสุขน้เป็นเหมือนก้อนหิน ón, ก้อนกรวดคุณค่าราคานี้เปรียบเทียบกันไม่ได้เพราะคุณคุณค่าของธรรมนี้ทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ แต่คุณค่าของโลกธรรทำคือลาบยศสารเสริญสุขนี้จะผูกมัดให้เราติดอยู่กับกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดนั่นเองจึงไม่ควรให้ความสำคัญต่อการแสวงหาลาบยศสารเสร่อสุขถ้าจะทำงานก็ทำเพื่อเลี้ยงชีพก็พอประครับประคองร่างกายชีวิตนี้ให้อยู่ต่อไปได้ เพราะเรายังต้องอาศัยร่างกายนี้ศึกษาพระธรรมคาสอนและอาศัยร่างกายนี้ปฏิบัติธรรมเพื่อให้จิตได้บรรลุได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้นั่นคือหน้าที่ของเราที่เราควรจะทำมีเท่านี้คือท ร, รมาชีพเลี้ยงปากเลี้ยงทองให้เราเลี้ยงดูร่างกายให้อยู่เป็นปกติศได้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่พิกลพิการ มีกำลังวางชาที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่คือสิ่งที่เราควรจะทำ<ม>เท่านั้นนอกนั้นแล้วไม่ควรที่จะไปทำเลยเช่น<ม><ม>ไปมีครอบครัวก็อย่าไปมีมีครอบครัวก็มีภาระผูกพันตามมายาวเหยียดมีครอบครัวมีสามีมีภรรยาเดี๋ยวก็ต้องมีบุตรมีธิดา แล้วก็ต้องเลี้ยงดูกันไปส่งเสียกันให้ได้ร่ำเรียนได้มีวิชาความรู้เพื่อเขาจะได้ดูแลรักษาชีวิตของเขาได้เวลาอันเวลาอันมีค่าของพวกเราก็จะหมดไปถ้าเราไปติดกับการมีครอบครัวขึ้นมานั้นสำหรับท่านที่ยังเป็นโสดอยู่นี่ก็ระมัดระวังไว้กับความคิดที่อยากจะไปมีครอบครัว ถ้าไม่มอยากจะติดอยู่กับกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆก็ต้องคอยเตือนคอยสอนบอกว่าถ้าไปมีครอบครัวแล้วเราจะไม่มีเวลามาศึกษามาปฏิบัติธรรมกันถ้าเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติธรรมเราก็จะไม่สามารถหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้หรือว่าถ้าเราไม่มีครอบครัวแต่เรายังแสวงหา สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ชื่อคือโลกธรรมเช่นลาบยศสารเสริญสุขเราก็ต้องสอนให้ใจให้รู้ว่าโลกธรรมนี้จะเป็นสิ่งที่คอยผูกมัดให้ใจเราต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะเมื่อเรามีความผูกพันเราก็อยากจะกลับมาหามันอยู่เรื่อยๆ พอร่างกายนี้ตายไปเราก็จะกลับมามีร่างกายอันใหม่เพื่อมาหาโลกกระทาใหม่ต่อไปดังนั้นเราต้องพยายามตัดมันตัดทุกสิ่งทุกอย่างที่ผูกพันกับเราที่คอยดึงเอาเวลาอันมีค่าของเราไปให้เราเอาเวลาอันมีค่านี้มาให้กับการศึกษากับการปฏิบัติธรรมเพียงอย่างเดียว นี่คือความคิดของคนฉลาดคือความคิดของพระพุทธเจ้าและความคิดของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายที่คอยสอนคอยเตือนให้พวกเรานี้ม อ, องให้เห็นความทุกข์ในสิ่งต่างๆโลกนี้เป็นโลกของความทุกข์เพราะทุกสิ่งทุกทอย่างนี้เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆมีการเกิดแล้วก็มีการดับไปไม่ช้าก็เร็ว เวลามีการเปลี่ยนแปลงมีการดับไปความทุกข์ก็เข้ามาในใจทันทีให้มองเห็นความทุกข์แล้วเราจะได้เกิดความเบื่อหน่ายกับลาบยศสรรเสริญสุขแล้วเราจะได้หันหน้าเข้าหาทำกันศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมกันนี่คือ <c oughs> เรื่องที่พวกเราควรจะให้ความสาคัญคือ การเรียนรู้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าการมาสร้างปัญญากันปัญญาของพระพุทธเจ้านี้ก็มีแบ่งไว้เป็นสามระดับด้วยกันระดับแรกก็เรียกว่าสุตะไมยะปัญญาแปลว่าปัญญาที่เกิดจากการเรียนรู้จากผู้อื่นเช่นจากการได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า หรือเกิดจากการอ่านหนังสือธรรมะของพระพุทธเจ้ากรดีหรือของพระอาริยสงสาวกกรดีหรือจะเกิดจากการฟังเทศนาต่างๆจากพระอาริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าเหล่านี้เรียกว่าสุตตมยปัญญาคือความรู้ที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังได้อ่านได้ศึกษานี้เป็นความรู้เบื้องต้น ที่จะนำไปสู่ปัญญาขั้นที่สองและขั้นที่สามตามลําดับต่อไปปัญญาขั้นที่สองเรียกว่าจินตามยปรรยัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการใข้ควรพิจารณาอยู่เนืองเนืองความรู้ที่เราได้เรียนรู้จากสุตตามยปรรยัญญาเบื้องต้นเราเรียนจากพระพุทธเจ้าจากพระอริยสงสาวก แล้วเราก็เอาความรู้ที่เราได้เรียนรู้จากท่านนี้มาคอยทบทวนมาพิจารณาอยู่เนืองๆเพื่อไม่ให้เราหลงเราลืมนั่นเองเพราะถ้าเราฟังเทศแล้วเราไม่ได้เอามาทบทวนต่อเราไปทำธุระอย่างอื่นต่อความคิดเรื่องราวต่างๆก็จะเข้ามากลบทธรรมะที่เราได้ยินได้ศึกษาไปแล้วมันก็จะหายไปจากใจเราเราก็จะลืมไปหมดว่า ทำที่เราได้ยินได้ฟังนี้มีอะไรบ้างดั mm hmm. งนั้นพอเราได้เรียนทำแล้วขั้นต่อไปเราต้องรักษาธรรมที่เราได้เรียนรู้นี้ให้อยู่กับใจไปเรื่อยๆด้วยการหมั่นพิจารณาอยู่เนือง mm hmm. ๆเพื่อไม่ให้หลงไม่ให้ลืม mm hmm. แล้วเราก็จะพร้อมที่จะขึ้นไปสู่ปัญญาระดับที่สาม ปัญญาระดับที่สามนี่เรียกว่าภาวนาไมายปรรยัญญาปัญญาที่มีการภาวนาเป็นเครื่องสนับสนุนคือเราต้องเอาปัญญาที่เราได้จากจินกินตามายปัญญามาใช้ควบคู่กับสมถภาวนาคือเราต้องมีจิตที่สงบที่เป็นอุเบกขาถึงจะสามารถ ที่จะใช้ปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนี้ให้มากำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราให้หมดสิ้นไปได้ mm hmm. ปัญญาสองระดับแรกคือสุดแต่ไม่แยปัญญาและจินตามัยปัญญานี้ไม่มีกำลังไม่มีโอเบคาที่จะหยุดกิเลสตัณหาโมหะอวิชชา ที่เป็นตัวคอยสร้างความทุกข์ให้กับใจได้นั่นเองจาเป็นที่จะต้องมีอุเบกขามาช่วยปัญญาต้องมีทั้งความรู้คือปัญญาแล้วก็มีอุเบกขาคือความนิง่งความสงบความไม่ตอบโต้การไม่กระทำอะไรตามคามําตามอำนาจของความอยากต่างๆถึงจะสามารถที่จะ หยุดกิเลสตัณหาต่างๆได้เมื่อหยุดกิเลสตัณหาต่างๆได้ความทุกข์ก็จะดับไปความหลุดพ้นจากความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นมาอันนี้เป็นปัญญาระดับที่สาคือจะต้องไปสร้างสมาธิขึ้นมาถ้ายังไม่มีสมาธิต้องไปฝึกสมาธิต้องไปเจริญสติก่อนสร้างสติขึ้นมาให้ได้ เมื่อมีสติเวลานั่งสมาธิจิตก็จะรวมเข้าสู่อัปปนาสมาธิได้เมื่อเข้าสู่อัปปนาสมาธิจิตก็จะสงบมีอุเบกขาแล้วถ้าให้จิตแช่อยู่ในสมาธินานอุเบกขาก็จะอยู่คู่กับใจไปนานดังนั้นเบื้องต้นนี้ถ้ายังไม่มีอุเบกขายังไม่มีสมาธิ ก็จำเป็นที่จะต้องหมั่นเจริญสติหมั่นเจริญสมาธิก่อนเพื่อให้มีภูเบกขาขึ้นมาแล้วก็สลับกับการเจริญจินตามยปัญญาหรือเจริญสุตตามยปัญญาคือมีการฟังเทศฟังธรรมอยู่อย่างต่อเนื่องมีการทบทวนค่าควรธรรมะธรรสอนที่ได้ยินได้ฟังอย่างต่อเนื่อง สลับกับการเจริญสติอย่างต่อเนื่องและการนั่งสมาธิให้จิตเข้าสู่สความสงบอย่างต่อเนื่องอนี่คือสิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะต้องทำกันเพราะปัญญาก็ต้องศึกษาให้เกิดความเข้าใจเมื่อเกิดได้ศึกษาแล้วก็ต้องหมั่นพิจารณาเพื่อให้เพื่อไม่ให้หลงไม่ให้ลื ม, มแล้วในขณะเดียวกันก็ต้องสลับไปท การนั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบเพราะถ้ามีปัญญาสองอย่างนี้คือมีสุตมะยะปัญญาหรือมีจินตามะยะปัญญาแต่ขาดขาดสมถะขาดอุเบกขาขาดสมาธิปัญญาก็จะไม่มีกำลังที่จะหยุดความอยากไดก้ปัญญาตามลำพังนี้หยุดความอยากไม่ได้ ปัญญาต้องมีอุเบกขาเป็นผู้สนับสนุนมีสมาติมีสติมีสมา ธ, มมมาธิที่เป็นผู้สร้างอุเบกขาให้เกิดขึ้นมาฉะนั้นการปฏิบัติก็จะต้องสลับกันไปในระหว่างทำทั้งสองอย่างนี้คือสมาธิและปัญญาถ้าเรายังไม่รู้ทำต่างๆก็ต้องฟังทำศึกษาทำไป ถ้าเรารู้แล้วเราก็มาคบถวนทำที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราสร้างกันขึ้นมามเช่นยกตัวอย่างสิ่งที่พุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราศึกษาให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจก็คือเรื่องของร่างกายของเรานี้เองร่างกายนี้เป็น <c oughs> เป็นสิ่งที่ร่างที่จิตใจของเราไปยึดไปติด แล้วก็ไปทุกข์กับร่างกายโดยไม่จำเป็นจะต้องทุกข์แต่เนื่องจากขาดปัญญาขาดความรู้ที่แท้จริงคือความจริงของร่างกายว่าเป็นอะไรเลยทำให้เราหลงคิดไปในทางที่ไม่ถูกแล้วทำให้เราไปหลงยึดไปยึดไปติดไปอยากให้ร่างกายเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอร่างกายไม่เป็นไปตามความอยาก ความทุกข์ใจก็เกิดขึ้นมาทันทีดังนั้นเริ่มต้นเราต้องฟังเรื่องของร่างกายจากพระพุทธเจ้าก่อนพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าร่างกายของเรานี้ไม่เที่ยงเมื่อเกิดมาแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่เรื่อยๆจากทารกก็ไปเป็นเด็กจากเด็กก็เป็นคนโตเป็นผู้ใหญ่จากผู้ใหญ่ต่อไปก็เป็นคนแก่คนชรา แล้วเป็นคนเจ็บคนตายไปในที่สุดพอนร่างกายตายไปร่างกายก็กลับคืนสู่สภาพเดิมคือดินน้ำลมไฟนี่คือความไม่เที่ยงความไม่มีตัวตนของร่างกายร่างกายเป็นเหมือนตุ๊กตาตัวหนึ่งที่ผลิตจากดินน้ำลมไฟโรงงานที่ผลิตตุ๊กตานี้ก็คือท้องแม่เรานี้ แ้องแม่เราเอาเชื้อของพ่อมาผสมกับเชื้อของแม่เป็นธาตุดินน้ำสองหยดมาผสมกันแล้วก็มาสร้างต่อเติมด้วยการเติมดินน้ำลมไฟผ่านทางร่างกายของแม่ร่างกายที่เกิดในท้องแม่ก็จะเริ่มจเจริญเติบโ ต, ตขึ้นมาตามลาดับจเจริญด้วยดินน้ำลมไฟ เป็นตุกตาที่ทำมาจากดินน้ําลมไฟแล้วก็มีดวงวิญญาณคือจิตใจของพวกเราที่ต้องการมีร่างกายนี้มาเกาะติดอีกทีหนึ่งจึงเป็นการรวมตัวของร่างกายและจิตใจ<ม>ร่างกายเป็นดินน้ําลมไฟจิตใจเป็นธาตุรู้<ม>คือเราเราอยู่กับธาตุรู้เรามาจากธาตุรู้ธาตุรู้เป็นตัวสร้างเราขึ้นมา สมมุติเราขึ้นมาสมมุติว่าเราเป็นเราขึ้นมาแล้วก็สั่งให้เราไปเกาะติดกับร่างกายเพื่อที่เราจะได้ใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือหาความสุขจากโล ก, กธรรมที่มีในโลกนี้คือพอเราคลอดออกมาจากท้องแม่แล้วเราก็จะเริ่มหาโล ก, กธรรมกันทันทีหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผุดพะกันทันที เด็กก็จะร้องอยากได้อย่างนั้นอย่างนี้อยากเห็นนูน่นเห็นนี่อยากจะฟังนูน่นฟังนี่อยากจะกินอยากจะดื่ ม, มพ่อแม่ก็ต้องคอยสรรหามาให้เ<ม>พราะถ้าไม่สรรหามาให้ก็จะร้องอยู่เรื่อยๆ<ม>นี่เริ่มต้นของการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือของใจเพื่อที่จะหาความสุขจากโลกธรร ม, ม <c oughs> แต่ใจนี้ไม่ได้เป็นร่างกาย ใจเป็นผู้รู้เป็นธาตุรู้ที่มาเกาะติดกับธาตุสี่นินน้าลงไฟคือร่างกายที่มีอาการ32สองภายในร่างกายนี้จะไปหาธาตุรู้ไม่เจอจะไปหาตัวตนไม่เจอตัวตนนี้อยู่ในธาตุรู้ตัวตนเกิดจากการสมมุติขึ้นมาของธาตุรู้เท่านั้นเองส่วนร่างกายนี้มีแต่อาการ3าสอง ที่ทำมาจากดินน้ำลมไฟที่ไม่เที่ยงที่จะต้องมีการเปลี่ยนไปเริ่มต้นจากการจเจริญเติบโตพอจเจริญเติบโตจนถึงขั้นสูงสุดก็จะแก่จะเจ็บแล้วก็จะตายแล้วร่างกายที่มีอาการ32ก็จะย่อยสลายไปส่วนประกอบที่มามาสร้างอาการ32ก็จะแยกทางกันไป ตวดินน้ำลมไฟขนาดที่เกิดออกมาก็เราก็คอยเติมดินน้ำลมไฟอยู่ตลอดเวลาลมหายใจที่เราหายใจเข้าไปในร่างกายก็เป็นธาตุลมของเหลวต่างๆก็เป็นธาตุน้ำความร้อนที่เราได้รับจากแสงอาทิตย์ก็เป็นธาตุไฟอาหารที่เรารับประทานก็เป็นธาตุดินพอเข้าไปในร่างกายร่างกายก็จะไปผลิตชิ้นส่วนต่างๆ คือไปผลิตผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกต่อไปสรุปแล้วร่างกายนี้ไม่มีตัวตนเป็นตุ๊กตาเป็นเหมือนต้นไม้ต้นไม้นี้ไม่มีตัวตนไม่มีความรับรู้อะไรทั้งสิน้นร่างกายนี้ก็ไม่มีความรับรู้ร่างกายไม่รู้ว่าเห็นอะไรได้ยินอะไรผู้ที่รู้นี้ไม่ใช่ร่างกายผู้ที่รู้นี้คือใจธาตุรู้ ที่มาเกาะติดกับร่างกายผู้เป็นผู้สั่งให้ร่างกายไปทำอะไรต่างๆแต่ปัญหาของผู้รู้หรือธาตุรู้นี่คือรู้ไม่จริงรู้รู้ไม่จริงก็คิดเรียกว่าหลงนั่นเองหลงไปคิดว่าร่างกายเป็นธาตุรู้ก็เลยเกิดความอยากให้ร่างกายนี้อยู่กับธาตุรู้ไปตลอดแต่อายุของธาตุรู้กับอายุของร่างกายนี้ห่างกันมาก อายุของร่างกายนี้อยู่ได้ไม่เกินร้อยปีแต่อายุของธาตุรู้นี้อยู่ไปได้ตลอดธาตุรู้ไม่มีวันตายเนยธาตุรู้ก็อยากจะให้ร่างกายนี้ไม่มีวันตายเหมือนธาตุรู้แต่มันก็เป็นไปไม่ได้เมื่อเป็นไม่ ไ, มได้ธาตุรู้ก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะจะต้องสูญเสียร่างกายไปไม่ช้า ก, ก็เร็วนี่คือความรู้ที่เราได้เรียนรู้จาก พระพุทธเจ้าพอเราได้เรียนรู้แล้วขั้นต่อไปเราก็จะต้องเอามาใค่ายควรมาคิดอยู่เรื่อยๆเพื่อให้เกิดความเข้าใจถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็จะจําได้เราจะไม่ลืมเราจะรู้ว่าร่างกายนี้เป็นเพียงตุ๊กตาตัวหนึ่งที่เราคือท่ารู้นี้อาศัยใช้เป็นเครื่องมือภาระเราไปหาอะไรต่างๆที่มีในโลกนี้มาเสพ มาให้ความสุขเราแบบชั่วครั้งชั่วคราวแต่ไม่สามารถให้ความสุขกับเราได้อย่างถาวรเราเลยคือถ้ารู้เลยต้องมีแต่ความทุกข์อยู่เรื่อยๆเพราะเวลาความสุขที่ได้มาหมดไปความทุกข์ก็จะเข้ามาทันทีทนทความทุกข์ก็เกิดจากความอยากได้ความสุขที่สูญเสียไปให้กลับมาใหม่นั่นเอง ใจก็เลยทุกอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขมันก็เป็นความสุขแบบชั่วครั้งชั่วคราวพอความสุขนั้นหมดไปความทุกข์ก็กลับเข้ามาแทนที่อยู่เรื่อยถ้าเราต้องการที่จะกำจัดความทุกข์ที่เราที่ใจนี้ได้เราก็ต้องเลิกหาความสุขจากโลกธรรมเลิกหาความสุขจากลาบยศสารเสญสุข เลือกใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเพราะร่างกายต่อไปก็จะไม่มีความสามารถที่จะหาความสุขให้กับเราได้เวลาที่ร่างกายแก่เวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่ร่างกายตายฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมาทุกข์กับการไม่สามารถหาความสุขผ่านทางร่างกายได้ พระพุทธเจ้าก็เลยสอนให้พวกเรามาเจริญส ม, มถภาวนากันมาหาความสุขจากการทำใจให้สงบกันเพราะการทำใจให้สงบนี้เราไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเราไม่ต้องใช้ลาบยศเสริญสุขเป็นเครื่องมือเราใช้สติเป็นเครื่องมือใช้สติคอยควบคุมความคิดคอยหยุดความคิด พอเราหยุดความคิดได้ใจของเราก็จะสงบแล้วความสุขที่เกิดจากความสงบก็จะเกิดขึ้นมาได้เป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากโลกธรรมคือจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าไม่มีความสุขอันใดนี้ในโลกนี้จะเหนือกว่าความสุขที่เกิดจากความสงบนัติสันติพลังสุขขัง นี่คือสิ่งที่เราต้องสร้างกันขึ้นมาให้ได้คือความสงบความสุขทางใจเพราะนอกจากจะได้ความสุขทางใจแล้วเรายังจะได้อุเบกขาได้ ใ, ใจที่แข็งแกร่งได้ ใ, ใจที่มีพลังที่จะต่อต้านความอยากต่างๆที่จะมาคอยสร้างความทุกข์ให้กับใจได้แล้วถ้าเรามีปัญญา เราก็จะสามารถทำลายความอยากต่างๆนี้ให้หมดสิ้นไปจากใจได้อย่างถาวรด้วยการสนับสนุนของอุเบกขาพอ ป, ปัญญาเห็นว่าสิ่งที่ความอยากต้องการเป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เพราะว่าเราไม่สามารถควบคุมบังคับให้มันเที่ยงได้อใจก็ตัดสินใจว่าอย่าไปเอามาดีกว่าอย่าไปมีมันดีกว่า จะไม่จะหยุดได้ก็ต้องมีอุเบกขาพอได้ข้อสรุปแล้วก็ต้องมีอุเบกขาถ้าได้ข้อสรุปว่ามันทุกข์แต่ถ้าไม่มีอุเบกขากิเลสมันก็ไม่ยอมกิเลสมันบอกทุกข์ก็ช่างมันแต่ตอนนี้ขอสุขไว้ก่อนแล้วทุกข์ไว้ค่อยว่ากันทีหลังถ้าทุกข์มากๆก็ฆ่าตัวตายอย่างมากก็คิดกันอย่างนั้นแต่ตอนนี้ถ้าไม่มีมันแล้วมันจะทุกข์ ทุกพราะไม่มีอุเบกขาไม่มีความสงบนั่นเองแต่ถ้ามีความสงบมีอุเบกขาก็จะไม่ทุกข์อยู่เฉยๆได้ไม่ทำตามความอยากได้อยากดื่มกาแฟไม่ดื่มก็ได้อยากกินขนมไม่กินก็ได้อยากจะดูหนังฟังเพลงไม่ดูหนังฟังเพลงก็ได้อยากจะไปเที่ยวไม่ไปเที่ยวก็ได้อยากจะอยู่กับแฟนไม่อยู่กับแฟนก็ได้ ถ้าเรามีความสงบมิวเบกขาดังนั้นความสงบรู้เบกขานี้จึงเป็นปัจจัยหรือเป็นเครื่องมือที่สาคัญที่จะมาสนับสนุนปัญญาที่เห็นว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่เที่ยงที่เราไม่สามารถไปสั่งให้มันเที่ยงได้ที่มันจะทำให้เราต้องทุกเวลาที่มันเปลี่ยนไปหรือมันหมดไปเราจึงต้องมาสร้างสมถภาวนา เพื่อที่จะใช้กับจินตาไมยะปัญญาคือความรู้ที่เราเข้าใจแล้วไม่หลงไม่ลืมพอเรามีทั้งจินตามยะปัญญามีทั้งสมถาภาวนาปัญญาก็จะกลายเป็นภาวนามยะปัญญาไปพอเป็นภาวนาไมยะปัญญาพอเกิดความอยากก็สามารถหยุดความอยากได้ทันทีเพราะจะเห็นว่าเป็นความทุกข์กำลังไปหาความทุกข์ไม่ใช่ไปหาความสุข แล้วพอเห็นว่าเป็นการไปหาความทุกข์มีอุเบกขาก็หยุดได้อยู่เฉยๆได้ไม่เดือดร้อนใจสงบนิ่งเย็นสบายไม่วุ่นวายไปกับความอยากต่างๆได้ถ้าไม่สงบถ้าวุ่นวายก็แสดงว่าอุเบกขาเสื่อมลงหรือหายไปก็ต้องดึงมันกลับขึ้นมาใหม่ด้วยการเจริญสติเช่นบริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือดูลมหายใจเข้าออกไป หรือพิจารณาความไม่เที่ยงไปอยู่เรื่อยๆว่าเป็นอนิจจังอนิจจังอนิจจังไปเป็นอนัตตานัตตาไปก็ได้แล้วเดี๋ยวจิตก็จะได้อุเบกขากับคืนมาพอได้อุเบกขากับคืนมาแล้วจิตก็จะอยู่เฉยๆได้ฝืนความอยากได้พอฝืนความอยากได้ความอยากก็จะอ่อนกําลังลงไปและหมดกําลังไปในที่สุดต่อไปก็จะไม่มีความอยากเข้ามา สร้างความทุกข์ให้กับใจต่อไป <Yeah. S 1> นี่คือการสร้างปัญญาเจริญปัญญาบารมีต้องสร้างด้วยเบื้องต้นสุตมะยปัญญา <Yeah. S 1> ถ้าเราไม่รู้ธรรมะเลยไม่รู้อริยสัจสี่ไม่รู้ไตรลักษณ์ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเช่นร่างกายขันห้าเป็นอะไร <Yeah. S 1> เราก็ต้องมาศึกษาให้รู้เรื่องราวเหล่านี้ ก็เป็นเรื่องราวที่เราไปติดอยู่นั่ไปทำให้เราทุกข์อยู่นั่นเองพอ<ม>เราทุกคนนี้ติดอยู่กับขันห<ม>เราไปติดขันหขันหมีอะไรบ้างมีรูปคือร่างกายของเรามีเวทนาคือความรู้สึกมีสัญญาความจามได้หมายรู้มีสังขารความคิดปรุงแต่งมีวิญญาณผู้รู้ เวีญญาณคือการรับรู้รูปเสียงเกินรถที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่คือสิ่งที่จิตใจของเราผูกพันอยู่เพราะใช้สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือในการหาความสุขให้กับจิตใจแต่สิ่งเหล่านี้เขาไม่เที่ยงเขาไม่อยู่ภายใต้คำสั่งของเราตลอดไปบางทีสั่งให้เขาหา ความสุขเวทนามาให้เราเขาก็หามาไม่ได้ก็มีมบางทีเขาเอาความทุกเวทนามาให้เราเราจะบอกให้เขาเอากลับไปเขาก็ไม่ยอมเอากลับไป<ม>เขาก็จะให้เวททุกขเวทนากับเรา<ม>ถ้าเราไม่รู้จักวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องกับสิ่งเหล่านี้ใจของเราก็จะปฏิบัติแบบไม่ถูกคือปฏิบัติด้วยการสร้างความทุกข ไม่ใช่ด้วยการระง uk, ับความทุกข์เพราะเราไม่รู้ว่าความทุกข์ของเราเกิดจากอะไรนั่นเองเราไม่รู้ว่าความทุกข์ของพวกเราเกิดจากความอยากต่างๆอยากให้มีแต่ความสุขอยากให้มีแต่สุ ข, ขเวทนาอันนี้ก็เป็นทุกข์ละพอไม่สุขพอสุขหายไปก็ทุกข์แล้วเพราะเราไม่รู้ว่าเวทนานี้ไม่เที่ยวเวทนานี้ไม่มีเพียงแต่สุขอย่างเดียว เมตนานี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหมือนดินฟ้าอากาศเนี่ยดินฟ้าอากาศนี้ก็จะไม่แจ้งตลอดเวลาจะมีวันที่มืดครึ้มจะมีวันที่ฝนตกจะมีวันที่แดดออกมันก็สลับกันไปเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาแล้วก็ไม่มีใครไปควบคุมบังคับไปสั่งมันได้ดันนความรู้สึกที่เรามีกันก็เหมือนกัน ความรู้สึกทุกบขบ้างรูสุกบ้างไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างมันก็ผัดกันเดินกันเข้ามาหาเราเดี๋ยวก็สุขเข้ามาเดี๋ยวสุขไปทุกข์ก็เข้ามาเดี๋ยวทุกข์ไปไม่สุขไม่ทุกข์ก็เข้ามาแล้วก็วนกันไปเวียนกันมาอย่างนี้แต่ใจเราไม่รู้วิธีปฏิบัติใจเราก็อยากจะให้มีแต่สุขอย่างเดียว พอมันไม่สุขอย่างเดียวใจเราก็เลยทุกข์พอมีความอยากแล้วไม่ได้สิ่งที่เราอยากได้เราก็จะทุกข์กันขึ้นมาทันทีนี่คือเราไม่เข้าใจธรรมชาติของขันของนามขันคือเวทนาเวทนานี้มันมาคู่กับสัญญาสังขารและวิญญาณเราไม่จาเป็นจะต้องพิจารณาสัญญาสังขารวิญญาณ เราเพียงแต่พิจารณาเวทนาตัวเดียวก็พอเพราะว่ามันมาเป็นทีมสัญญาสังขารวิญญาณเป็นผู้สนับสนุนที่ทําให้เกิดเวทนาขึ้นมามีเวทนาแบบต่างๆเนั้นเราเพียงแต่ต้องรู้จักวิธีที่ปฏิบัติกับเวทนาก็พอวิธีที่จะปฏิบัติเวทนาที่ถูกต้องก็ต้องเห็นว่าเวทนาเป็นอนัตตา อนัตตาก็คือเป็นเหมือนดินนะดินฟ้าอากาศวิธีที่เราปฏิบัติกับดินฟ้าอากาศนี้เราปฏิบัติอย่างไรเราก็ปล่อยให้ดินฟ้าอากาศเป็นไปตามเรื่องของเขาเราไม่ไปควบคุมบังคับดินฟ้าอากาศกันเพราะถ้าเราไปควบคุมแล้วเราก็รู้ว่าเราควบคุมไม่ได้ไปสั่งไม่ได้พอเราสั่งไม่ได้เราจะทุกข์กันเราจงไม่ค่อยทุกข์กับดินฟ้าอากาศ ตอนนี้ฝนตกอย่างไรเราก็ไม่ทุกขกันเพราะเรารู้ว่าไปสั่งให้ฝนหยุดไม่ได้ไปอยากให้ฝนหยุดไม่ได้พออยากแล้วมันจะทำให้เราทุกข์กันนั่นเองฉันใดเราก็ต้องมองเวทนาที่เกิดขึ้นในใจของพวกเราก็เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวก็สุขเวทนาเดี๋ยวก็ทุกขเ์เวทนาเดี๋ยวก็ไม่สุขไม่ทุกข์เวทนา เราก็ต้องรู้ว่ามันเป็นธรรมชาติของเขาที่จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างนี้<ม>เราก็ทาใจเฉยๆเหมือนกับเราทาใจเฉยๆกับดินฟ้าอากาศ<ม>เราไม่ทุกข์กับดินฟ้าอากาศเราก็จะไม่ทุกข์กับเวทนา<ม>แต่ใจของเรานี่มันมีความนิสัยเดิมฝังอยู่ลึกที่มันจะคอยปรับเวทนาอยู่เรื่อย พอมีเวทนาทุกขึ้นมานิดเดียวมันจะปรับทันทีพอคันตรงนั้นป๊อบจะเกาทันทีพอเจ็บตรงนั้นป๊อบจะหาวิธีหยุดมันทันทีโดยที่ไม่พิจารณาว่าทำได้หรือไม่ได้บางทีทำไม่ได้มางทีทำได้ก็ทำไปแต่ถ้าทำไม่ได้แล้วไปอยากให้มันหายนี่มันจะทำให้ใจทุกข์ให้เราต้องมาฝึกเปลี่ยนนิสัยใหม่ มาสอนใจว่าถ้าไม่อยากจะทุกข์อย่าไปเปลี่ยนเวทนาที่เราเปลี่ยนไม่ได้อย่าไปปรับมันวิธีที่จะทำให้ใจเราไม่ทุกข์และอยู่กับเวทนาได้ก็คือเราต้องทำใจให้เป็นอุบเบกขาแล้วก็มีปัญญาสอนใจว่าเวทนานี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นเดินฟ่าอากาศ เหมือนกับร่างกายก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนเหมือนกันนี่นี่คือขัน5ที่เราพิจารณากันมี2 ส, ส, ส่วนส่วนร่างกายส่วนหนึ่งรูปประขันและส่วนนามขันเราก็พิจารณาเวทนาเป็นตัวหลัก เ, เพราะเวทนานี้มันเกิดจากการทำงานของสัญญาสังขารวิญญาณ น, นั่นเองเออ เราไม่ต้องไปกังวลกับสัญญาสังขารวิญญาณเียงแต่รู้ว่าหน้าที่ของสัญญาสังขารวิญญาณก็พอรู้ว่าวิญญาณเป็นผู้รับรูปเสียงกลิ่นรสผดพะเข้ามาให้ใหกับใจแล้วสัญญาก็ไปแปล ไ, ไปจำได้หมายรู้ในในรูปเสียงกลิ่นรสที่เข้ามาว่าเป็นอะไรดีไม่ดีสุขนึกพอดีก็สุขขึ้นมาพอไม่ดีก็ทุกข์ขึ้นมา เกิดสุขเกิดทุถ้าไม่มีปัญญาสังขารก็จะปรุงไปทางความอยากทันทีอยากให้สุขอยู่ไป น, นานๆอยากให้ทุกข์หายไปเร็วๆพอไม่ได้ดังใจอยากใจก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีนี่คือการทำงานของนามขันคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เขาทำพร้อมๆกันเป็นทีมเป็นเหมือนรถยนต์เนี่ย รถยนต์มีมีมีชิ้นส่วนเยอะแยะมีล้อมีเบรกมีพวงมาลัยมีเครื่องยนต์แต่เวลาทำงานนี้เขาทําเป็นทีมทำเงินพร้อมกันคนขับไม่ต้องไปรู้หรอกว่าตอนนี้เครื่องยนต์วิ่งวิ่งอย่างไรบ้างล้อหมุนอย่างไรบ้างคนขับเพียงแต่ให้รู้วิธีขับรถให้มันวิ่งไปได้ให้มันหยุดได้เท่านั้นก็พอ ใจก็เหมือนกันใจเป็นเหมือนคนขับร่างกายกับเวทนาที่เป็นเหมือนรถยนต์ก็ให้รู้จักวิธีขับร่างกายขับเวทนาเพื่อไม่ให้มันมาสร้างความทุกข์ให้กับใจทนั้นเองก็คือต้องต้องรู้ความเป็นจริงของร่างกายว่าสิ่งไหนที่เราทำให้กับร่างกายได้บ้างสิ่งไหนที่เราทำให้กับร่างกายไม่ได้ก็อย่าไปอยากทำ สิ่งที่เราทำได้ก็ทำเช่นเลี้ยงร่างกายได้เราก็เลี้ยงไปให้อาหารได้ให้น้ำได้ให้ลมได้หายใจได้เราก็ทำไปแต่ถ้าสิ่งไหนที่เราทำไม่ได้เราก็อย on, ่าไปทำมันเช่นเช่นไปห้ามมันนะไม่ให้มันแก่นี้ทำไม่ได้ก็อย่าไปทำมันทำยังไงก็ทำไม่ได้ทำได้ก็ชั่วคราวถอนผมงอกออกไปเดี๋ยวมันก็หงอกเดี๋ยวเส้นใหม่มันก็งอกอีกไปย้อมเดี๋ยวมันก็ โผล่ขึ้นมาใหม่งั้นอย่าไปทําให้มันเหนื่อยแล้วก็จะทุกข์ไปเปล่าๆสู้ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันดีกว่าสิ่งไหนที่เราทําไม่ได้ก็ต้องอปล่อยให้มันเป็นไปอะเกิดโครคภัยไข้เจ็บขึ้นมารักษาได้หรือเปล่าารักษาได้ก็รักษาไปป้อาอรหันพระพุทธเจ้าก็ยังกินยากันอยู่เวลาร่างกายไม่สบายถ้ากินยานี้แล้วรักษาให้ โรคภัยหายได้ท่านก็กินกันท่านไม่ได้ท่านไม่ได้บอกว่าเป็นผ้าอรหันแล้วไม่ต้องรักษาก็ไม่ใช่ถึงแม้รักษาท่านก็ไม่ได้รักษาเพื่อตัวท่านอีกเหมือนกันร่างกายที่ท่านใช้นี้ท่านไม่ได้ใช้เพื่อตัวท่านแล้วท่านใช้เพื่อประโยชน์สุขของชาวพุทธเราของผู้ที่ปรารถนาการดุจพ้นเพราะท่านต้องใช้ร่างกายที่แข็งแรง เพื่อที่จะได้เอาธรรมะมาสั่งสอนให้กับผู้ที่ยังไม่รู้นั่นเองถ้าท่านไม่รักษาร่างกายร่างกายถ้าร่างกายท่านตายไปเราก็จะไม่มีครูบาอาจารย์มาคอยสั่งคอยสอนเราแต่ให้เขาเข้าใจว่าท่านไม่ได้รักษาเพื่อเพื่อเพื่อรักษาตัวท่านร่างกายท่านรู้ว่าไม่ใช่ตัวท่านอยู่แล้วตัวท่านคือจิตใจและจิตใจของท่านนี้ก็อิ่มแล้วพอแล้วไม่ต้องการอะไรอีกแล้ว แต่ที่ดูแลร่างกายเลี้ยงดูร่างกายออกกำลังกายทำอะไรให้กับร่างกายนี้เพราะยังทำได้อยู่เพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการเผยแผ่ธรรมะให้กับผู้ที่สนใจเท่านั้นเองแต่เมื่อถึงเวลาที่ท่านรู้ว่ารักษาไม่ได้เลี้ยงไม่ได้ดูแลไม่ได้ท่านก็จะปล่อยท่านก็จะหยุดทันที่ทานไม่ฝืนความจริง แต่ผู้ที่ยังมีกิเลสมีตัณหามีโมหะอวิชชาอยู่นี้จะพยายามทุกวิถีทางไม่ว่าจะทำได้หรือไม่ได้ก็ตามก็ต้องลองทำดูก่อนแล้วหมอบอกไม่รับประกันว่าจะหายไม่หายก็ไม่เป็นไรขอให้ทำหมอบอกรักษาแบบนี้อาจจะไม่หายถ้าไม่หายก็ไม่เป็นไรดีกว่าไม่ทำไม่ทำแล้วไม่รู้แต่ถ้าเป็นพระอรหันต์ผู้ที่ไม่มีกิเลสแล้ว ทา่านจะก็ดูว่าถ้ามันไม่หายจริงๆก็อย่าไปทรมานมันดีกว่าปล่อยให้มันเป็นไปตามสภาพของมันเพราะไม่มีใครที่จะไปเหนียวล้างความตายได้เหนียวล้างให้นาำกายอยู่ต่อไปได้เมื่อถึงเวลาที่มันจะต้องตายนี่ก็คือสิ่งที่เราต้องศึกษาเกี่ยวกับเรื่องขั น, นถ้าเรายังรักษาขันได้เราก็รักษาไป ถ้าเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาถ้าเราบันเทามันได้เราก็บันเทามันไปถ้าบันเทามันไม่ได้ก็ต้องใช้ธรรมโอสถคือใช้สมาธิใช้ปัญญามาสอนให้ใจให้อยู่กับสิ่งที่ทำอะไรไม่ได้เช่นถ้ามีทุกขเวทนาขึ้นมาแล้วไม่สามารถกาจัดมันได้ก็ต้องสอนใจให้อยู่กับมันไป อย่าไปมีความอยากให้ทุกขเวทนามันหายไปเพราะเกิดความอยากแล้วเวลามันไม่หายมันจะทำให้ใจทุกข์นั่นเองซึ่งความทุกข์ใจที่เกิดจากความอยากนี้มันรุนแรงกว่าความทุกข์ที่เกิดจากความเจ็บไข้ได้ปวยของร่างกายฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมนี้สามารถาระงับเวทนาทางใจได้ระงับความทุกข์ทางใจได้ แต่ความทุกข์ทางร่างกายนี้บางทีก็ระงับได้บางทีก็ระ ง, ง, ง, ง, งับไม่ได้ถ้าระ ง, งับไม่ได้ท่านก็ไม่ระ ง, งับก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันแต่ใจของท่านจะไม่ทุกข์กับความเจ็บของร่างกายเพราะท่านรู้จากวิธีที่จะทำให้ใจไม่ทุกข์กับความเจ็บของร่างกายคือทาใจให้เฉยเฉยปล่อยวางใช้ปัญญาสอนใจว่ามันเป็น อันนี้จังทุกขังอนัตตาไปทําอะไรไม่ได้ไปอยากไม่ได้อยากแล้วจะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนี่คือทำที่เรามาศึกษากันมาศึกษาให้เรารู้ว่าหนึ่งร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่มีตัวเราอยู่ในร่างกายในร่างกายนี้มีเพียงแต่อาการสามสิบสองเท่านั้นคือผมขมเลือฟันเป็นต้นแล้วก็ มันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตั้งแต่ออกจากท้องแม่มันมันก็จะเริ่มเจริญเติบโตแล้วพอเรจเริญเติบโตเต็มที่มันก็จะแก่ลงไปแก่ลงไปแล้วโครคภัยไข้เจ็บต่างๆก็จะลุมเล้าเข้ามาจนในที่สุดก็จะทำให้มันอยู่ต่อไปไม่ได้มันก็จะหยุดหายใจหยุดหายใจธาตุลมก็ยุติการมาร่วมประชุม เดี๋ยวธาตุน้ำก็แยกออกจากร่างกายธาตุไฟก็แยกออกจากร่างกายในที่สุดก็จะเหลือแต่ธาตุดินถ้าไปเผาก็เหลือแต่ขี้เถ้าเหลือแต่เศษกระดูกซึ่งเป็นธาตุดินนี่อันนี้เป็นเสียงที่เราต้องศึกษาต้องทำความเข้าใจอยู่เรื่อยๆเรียกว่าทําการบ้านการเรียนรู้จากการได้ยินได้ฟังทำนี้เป็นการเข้าห้องเรียนเรียนจากครูจากอาจารย์ เกี่ยวกับเรื่องร่างกายเรื่องเวทนาพอดูแล้วเราก็ต้องเอามาทำการบ้านมาพิจารณาอยู่เนืองเนืองอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่มีความเจ็บมีความตายเป็นธรรมดามีการพัดภาคจากกันเป็นธรรมดา <c oughs> ล่วงพ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปไม่ได้ <c oughs> เราต้องมาพิจารณาอยู่เนืองเนืองการพิจารณาอยู่เนืองเนืองนี้เรียกว่าเป็นการเจริญจินตามยปัญญา เพื่อที่เราจะได้เข้าใจพอเราเข้าใจแล้วทีนี้มันจะไม่ลืมเราจะเข้าใจว่าร่างกายนี้ยังไงยังไงมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วถ้าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมานี่คือปัญญาที่เราต้องมาคอยคิดมาคอยสอนเตือนใจ <c oughs> เพื่อให้เรายับยั้งความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายให้ได้ แล้วก็ต้องสอนว่าร่างกายไม่มีตัวเราเราไม่มีตัวเราในร่างกายเราไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปร่างกายมันจะทำให้เรามีความมีกำลังที่จะปล่อยวางร่างกายเพราะถ้าเราเห็นว่าร่างกายของเรานี้เป็นเหมือนร่างกายของคนอื่นร่างกายคนอื่นนี้เราเห็นว่ามันไม่ได้เป็นตัวเราของเราอยู่แล้วแล้วถ้าเรามาเห็นร่างกายว่ามันไม่ได้เป็นตัวเราของเราเหมือนกับร่างกายคนอื่นเราก็จะไม่เดือดร้อน เวลาเราเห็นร่างกายคนอื่นก็เป็นอะไรเราไม่เดือดร้อนฉันใดเวลาเราเห็นร่างกายเป็นอะไรเราก็จะไม่เดือดร้อนฉันนั้นต่อไปถ้าเราเข้าใจแล้วว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเวทนาก็เหมือนกันเวทนาก็เป็นสิ่งที่เราไปเปลี่ยนมันไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้มันมาแล้วก็ไปสุขมาแล้วก็ไปแล้วทุก็มาแทนที่เดี๋ยวทุกไปเดี man, ๋ยวก็ไม่สุขไม่ทุก็เข้ามา สลับกันไปแล้วแต่เหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดเวทนาเหล่านี้ขึ้นมาสิ่งที่เราทำได้ถ้าเราเวทนาบางอย่างถ้าเรารังงับได้เราก็รังงับไปถ้าเรารังงับไม่ได้ก็ต้องทำใจให้อยู่กับมันไปอย่าไปอยากให้มันหายอย่าไปอยากให้มันเปลี่ยนเพราะความอยากนี้จะทำให้เกิดความทุกข์ทรมานใจโดยใช่เหตุ <c oughs> นี่คือสิ่งที่เราต้องมาสอนใจอยู่เรื่อย พอสอนแล้วเวลาที่เราถึงเวลาจะปฏิบัติถ้าเราทำใจไม่ได้ก็แสดงว่าเรายังไม่มีอุเบกขาเราก็ต้องไปฝึกสติไปฝึกสมาธิกันให้มากๆพยายามหมั่นเจริญสติเพื่อหยุดความคิดปุงแต่งพยายามนั่งสมาธิบ่อยๆเพื่อให้จิตรวมเข้าไปในอัปปนาสมาธิเพราะในอัปปนาสมาธินี้จะมีอุเบกขา ในสมาธิอย่างอื่นนี้ไม่มีอยู่ฌานขั้นที่หนึ่งที่สองที่สามนี้ไม่มีอุเบกขาต้องเข้าสู่ฌานขั้นที่สี่เมืนจิตในขณะที่จิตสงบนิ่งไม่ทำงานเท่านั้นอุเบกขาถึงจะปรากฏขึ้นมาพอได้อุเบกขาแล้วก็พยายามรักษาหรือสร้างให้มันขึ้นมามีอยู่บ่อยๆให้มันมีอย่างต่อเนื่องถึงแม้เวลาออกจากสมาธิมาอุเบกขาก็ยังอยู่ต่อไป ถ้ามันไม่อยู่ก็ต้องกลับเข้าไปในสมาธิไปเติมมันใหม่เหมือนกับการไปเติมน้ามันรถยนต์เราเติมน้ำมันรถยนต์แล้วเราก็ขับออกจากสถานีบริการเพื่อใช้รถยนต์พาเราไปไหนมาไหนเดี๋ยวพอน้ามันจะหมดเราก็ต้องกลับมาที่สถานีบริการใหม่มาเติมน้ำมันใหม่น้ำมันของใจที่จะสู้กับกิเลสก็คืออุเบกขาเองที่เราจะต้องคอยเติมอยู่เรื่อย เข้าไปเติมในสมาธิแล้วพอออกมาก็ใช้อุเบกขาต่อสู้กับความอยากต่างๆด้วยเพื่อด้วยการสนับสนุนปัญญาปัญญาบอกว่าอย่าไปอยากอยากรับทุกข์ถ้ามีอุเบกขาก็จะหยุดความอยากได้ถ้าหยุดความอยากไม่ได้ก็แสดงว่าน้ํามันหมดอุเบกขาหมดมก็กลับเข้าไปในสมาธิใหม่การปฏิบัติขั้นสมาธิกับปัญญานี้ มันจะสลับกันไปเบื้องต้นทำทีละขั้นก่อนเบื้องต้นทำทำสมาธิหรือทำปัญญาแล้วแต่ว่าจะมีโอกาสจะทำแบบไหนถ้าเวลาฟังธรรมก็จเจริญปัญญาไปถ้าเวลาไม่ได้ฟังธรรมก็ไปเจริญสติไปสร้างสมาธิไปสร้างอุเบกขาสลับกันไปแล้วต่อไปเราก็จะได้ทั้งปัญญาได้ทั้งสมาธิได้ทั้งอุเบกขา ที่จะมาหยุดความอยากต่างๆที่เป็นตัวคอยดึงใจของเราให้ไปหาความทุกข์กันให้เราไปอยากให้ร่างกายอยู่นานๆอยากให้เวทนามีแต่สุขเวทนาแล้วพออยากแบบนี้แล้วมันไม่ได้ดังใจอยากใจของเราก็จะทุกข์กันแต่พอเรามีปัญญามีอุเบกขาเรารู้ว่าเราไปอยากไม่ได้อยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้ เราก็ทำใจเฉยๆไปอยู่กับมันไปอย่างตอนนี้ฝนตกก็เราก็รู้ว่าไม่อยากให้มันหยุดไม่ได้ก็ปล่อยมันตกไปเท่านั้นเองพอมันเราไม่ไปยุ่งกับฝนแล้วเราก็ไม่เดือดร้อนเราก็นั่งฟังเทศฟังธรรมของเราเพลิดเพลินแล้วดีดดไม่ดีอาจจะขอบใจฝนได้อีกว่าทำให้อากาศเย็นสบายไม่ร้อนมีเครื่องปรับอากาศตามธรรมชาติเลย ดีกว่าต้องเสียเงินค่าไฟเสียค่าองค่าแอร์ต่างๆมีฝนฟ้าอากาศมาให้ความร่มเย็นในขณะที่เราฟังธรรมกันแต่ถ้าเราอยากจะให้มันหยุดนี้ใจเราจะร้อนขึ้นมาทันทีจะรู้สึกอึดอัดนั่งแล้วไม่สบายอยากจะออกไปนั่งกลางสนามหญ้าออกไปนั่งในที่แจ้งที่โลกงพอทำไม่ได้ใจก็จะทุกข์จะอึดอัดขึ้นมาเนี่ยขอให้เราเห็นโทษของความอยาก ความอยากนี่แหละเป็นตัวสร้างความไม่สบายใจต่างๆให้กับเราไม่ใช่เหตุการณ์ต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ดินฟ้าอากาศไม่สามารถทำใจให้เราทุกได้สิ่งที่ทำให้ใจให้เราทุกคือความอยากของเราที่อยากไปจัดการกับดินฟ้าอากาศนั้นอยากไปจัดการกับดินฟ้าอากาศดีกว่าถ้าจัดการไม่ได้ถ้าจัดการได้ก็จัดการไปอะไรที่จัดการได้ก็ยังจัดการได้ไม่ห้าม แต่พอถึงขีดที่จัดการไม่ได้ก็ต้องหยุดท่านั้นเองเพื่อที่จะได้รักษาใจของเราไม่ให้ทุกข์เพราะความทุกข์ของใจเหล่านี้มันรุนแรงกว่าความทุกข์ของทางร่างกายหลายร้อยเท่าด้วยกนันนี่คือปัญญาที่พวกเรามาศึกษามาล่ิ่มเรียนมาฟังกันวันนี้เราฟังเรื่องขันห้าเรื่องร่างกายเรื่องไม่เวทนาว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่เราจะต้อง รู้วิธีปฏิบัติถ้าทำได้อะไรได้ก็ทำไปถ้าทำไม่ได้ก็ต้องหยุดถ้าหยุดไม่ได้ก็ต้องไปเจริญสติสมาธิเพื่อให้ได้อุเบกขาพอเราได้อุเบกขาแล้วเราก็จะมีกำลังหยุดความอยากต่างๆได้เราก็จะได้ภาวนามายปัญญาเราได้ปัญญาจากจินตาจากสุตตะมย่ปัญญาแล้วเราก็มาผสมกับ จิตที่เป็นอุเบกขา ท, ทําจิตให้จิตที่ไม่มีอุเบกขาให้เป็นอุเบกขาขึ้นมาแล้วปัญญาที่เราได้ยินได้ฟังที่เราได้ออกมาพิจารณาจนเข้าใจนี้จะกลายเป็นภ า, าวนามยาปัญญาขึ้นมาทันทีพอปัญญาบอกว่าหยุดอย่าไปอยากปับ๊บก็จะหยุดได้ทันทีพอหยุดปับ๊บหยุดความอยากได้ปับ๊บความทุกข์ก็ไม่เกิดขึ้นมา แล้วหยุดถ้าหยุดความอยากไปเรื่อยๆต่อไปความอยากก็จะไม่กลับมาอีกเลยต่อไปก็จะไม่มีความอยากมาลบควนใจอีกต่อไปใจก็จะสงบไปตลอดอย่างถาวรที่เป็นนิพพานขึ้นมานี่คือความสงบที่ถาวร น, นิบานังปรมังสุขขังความสุขที่ถาวรที่เกิดจากความสงบที่ถาวร น, นี่เองเกิดจากการชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ กำจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปด้วยภาวนามายะปัญญาถ้ายังไม่มีภาวนามายปัญญาก็ต้องไปหาสุสตตมยปัญญาหาจินตามะยะปัญญาก่อนแล้วก็สร้างสมาธิให้เกิดโอเบขาขึ้นมาพอมีทั้งสองส่วนนี้มารวมกันแล้วก็จะกลายเป็นภาวนามายะปัญญาแล้วความอยากต่างๆก็จะถูกกำจัดไปอย่างสิ้นเชิง ความทุกที่ถุกที่เกิดจากความอยากก็จะหมดสิ้นไปนี่คือเรื่องราวของการมาเจริญปัญญาบารมีที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาริวาหาปูราปาริปุเรนติสาครัง เอวะเมวอิโตชินังเปตานังอุปการปติอิชิตังปฏิตังตุงหังคิดเปเมวะสมิชฉาตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชานตุ สัพพโรโควินาศสตุมาเตภวะตวันตาาโยสุขิติคายุโกภวะอภิวาทานศิริสะนิจจงุทาปจายโนจตารโหธรรมาวะธานติอายุวันโอสุขังภาละ ช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคาถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถ้าไม่ถามเองเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้แต่อย่ามาถามหลังจากที่เราเลิกประชุมแล้วเพราะจะไม่สะดวกเพราะจะต้องเก็บข้าวของอะไรต่างๆมากมายดัยงนั้นถ้าอยากจะถามอะไรช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่สุดที่ดีที่สุด วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่วันนี้ยอดยอด Facebook รวม477ค่ะ YouTube 193วิทยุออนไลน์11 o o m 6ผู้รับฟังหน้ากุฏิ97ท่านรวมทั้งสิ้น784ท่านค่ะถ้ามีคำถามก็เชิญถามได้เลยคำถามจากผู้รับฟังหน้ากุฏิค่ะมีสามข้อข้อที่หนึ่ง ใส่ถุงเท้าใส่บาทเป็นบาทไหมคะืคออถ่าไม่ให้ใส่รองเท้าเราจะถือว่าถุงเท้าเป็นรองเท้าก็ได้เพราะว่ามันยังรองเท้าอยู่งั้นก็อย่าใส่ก็แล้วกันหลวงตาท่านเคยพูดไว้ว่าเท้าโสกโปลกล้างง่ายกว่าใจที่โสกปก่งใจสกปรกล้างยากคือใจที่ยังไมีกิเลส ยังกลัวเจ็บยังกลัวสะกะปรกกลัวเท้าจะสะกะปรกก็เลยใส่เนาะใส่ถุงเท้าใส่รองเท้านี่ทาให้ใจสะกะปรกความกลัวกลัวกลัวเท้าจะสะกะปรกเลยทําให้ใจสะกะปรกอันตัวนี้ยะล้างยากกว่าล้างเท้าล้างเท้าเดี๋ยวใส่บาสใส่ก็ไปเอาผ้าเช็ดเลือใช้น้ําล้างฟับ๊บมันก็มันก็สะอาดนะแ้น ถ้าอยากจะทําตามธรรมวินัยที่พระเจ้าได้ทรงสอนให้ปฏิบัติก็อย่าไปใส่รองเท้าเถิดข้อที่สองค่ะใส่ถุงเท้าเดินจงกรมได้ไหมคะถ้าปฏิบัติได้อยู่ถ้าเดินจงกรมปฏิบัติทำอยู่ที่ของเรานะถ้าไม่ไปเกี่ยวกับสถานที่อื่นเขาถ้าไปอยู่ที่สถานที่อื่นถ้าไปปฏิบัติพร้อมๆกันก็ต้องขึ้นอยู่ที่กฎระเบียบของสถานที่นั้นว่าเขาให้ปฏิบัติได้หรือไม่ไม ข้อที่สค่ะใส่ถุงเท้าถวายของพระเป็นบาปไหมคะถ้าถ้าไม่ได้ใส่บาปถ้าเช่นมาที่บนศาลานี้ใส่ถุงเท้านี้ก็ไม่มีธรรมเนียมห้ามก็ยังถือว่าใส่ได้ถ้าอยากจะใส่รองเท้าแล้วถวายของพระหรือใส่บาปก็ต้องเป็นพระเจ้าแผ่นดินเนทะ่านั้นถ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินนี้ทางศาสนาก็จะยกเว้นปเป็นกรณีพิเศษไป คำถามต่อไปจกคุณไพลินค่ะขอกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะหนูฝึกนั่งสมาธิและฝึกรู้ตัวขนาดกินเดินนั่งนอนพอมาสักพักหนึ่งหนูรู้สึกเบื่อมากกับการคุยพูดเล่นกับเ พ, เพื่อนเพราะรู้สึกว่ามันไร้สาระเสียเวลาฝึกสติจนรู้สึกว่าอยากอยู่คนเดียวหนูควรแก้อย่างไรคะเพราะเพื่อนๆว่าหนูเปลี่ยนไปค่ะก็หนูต้องเลือกว่าหนูจะเอาอะไรดีล่ะ เอาเพื่อนฝูงแล้วเอาความวุ่นวายที่มากับเพื่อนฝูงหรือเอาความสงบจากการอยู่คนเดียวก็ต้องเลือกทางทางสองทางนี้ไปด้วยกันไม่ได้หรือถ้าจะเลือกก็สลับกันวันนี้อยู่กับเพื่อนพรุ่งนี้ไปอยู่คนเดียวสลับไปสลับมาก่อนก็ได้จนกว่าที่เราคิดว่าทางไหนดีกว่ากันก็เอาทางใดทางหนึ่งไ ป, ไปเลยคำถามจากคุณพจน์ค่ะขอกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับ ว่าปีนี้ตักบาตรเทโวมีพระสงฆ์และสั ม, มนเนงกี่รูปครับและเป็นวันที่เท่าไหร่ครับเอ่ออันนี้เราไม่แน่ใจเนะเดี๋ยวต้องรอให้ทางทีมงานเขาจะมีการโพสต์เวลาใกล้ๆเข้ามารู้สึกว่าจะเป็นวันที่สองสองตุลาคมเป็นวันศุกร์เป็นวันขึ้นสิบห้าค่ไม่ใช่วันแรมหนึ่งค่ำนะการตักบาตรเทโวนี้มีสองวัน บางวัดก็เอาวันขึ้นสิบห้าค่ำบางวัดก็เอาวันแรมหนึ่งค่ชยันก็สําหรับวัดยานี้จะเป็นวันขึ้นสิบห้าคบางคนคิดว่าวันตัดบาทเทโวเป็นวันแรมหนึ่งคพอมาวันแรมหนึ่งค่ำก็ไม่มีเทโวให้ตัดสัาสหรับวันนี้เขาตัดวันพระวันขึ้นสิบห้าคําคำถามต่อไปจากคุณสุภานิตาค่ะ กลับนมรณสการเจ้าค่ะหนูทํางานตัดขนแมวบางตัวมีหมัดหนูก็ต้องตัดบางตัวก็โดนตัดตายหนูจะบาปไหมคะขอคําแนะนําให้หนูด้วยเจ้าค่ะอ๋อถ้าทํำให้มันตายมันก็บาปอ่ะงั้นก็พยายามหลีกเลี่ยงถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงไปถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องรอรับผลกรรมไปคือต้องกลับไปเป็นกลับไปเป็นเห็บเป็นหมัดให้เขาเขาฆ่าเราบ่สลับกันไป ทำกรรมนใดนไว้ก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นคำถามต่อไปจากคุณวันเพ็ญค่ะลูกอยากถามว่าเราจะรักษาใจอย่างไรให้สงบและบริสุทธิ์เจ้าค่ะก็ต้องมีสติมีศีลมีสมาธิมีปัญญานะถึงจะรักษาใจให้สงบได้เบื้องต้นก็หัดรักษาศีลก่อนศีลห้าแล้วก็ไปรักษาศีลแปด ช่วงศีลห้านี้เราก็จเจริญสติหันนั่งสมาธิได้เพียงแต่ว่าจะนั่งไม่ได้มากเท่ากับการถือศีลแปดถ้าเราถือศีลแปดเราจะมีเวลาฝึกสมาธิได้มากกว่ามีเวลาที่จะเจริญปัญญาได้มากกว่าแต่ถ้าเรายังไม่พร้อมที่จะรักษาศีลแปดก็รักษาศีลห้าไปพังๆก่อนแล้วก็หัดจเจริญสติคอยควบคุมความคิดหยุดความคิดหัดนั่งสมาธิด้วยการดูลมหายใจเข้าออก เพื่อให้จิตสงบแล้วจิตก็จะมีความสุขคำถามต่อไปจากคุณโกลเดียค่ะขออนุญาตถามพระอาจารย์ครับการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองบาปไหมครับมันก็เป็นการตอบสนองความอยากอย่างหนึ่งมันก็ยังเป็นกิเลสเป็นตัณหาอยู่มันก็ยังเป็นตัวที่จะดึงให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดได้แต่ว่ามันไม่ผิดมันไม่ผิดศีลนั่นเองมันไม่ได้ไปทาร้ายผู้อื่นศีลห้าก็ไม่ผิด ศีลแปดก็ไม่ผิดแต่ศีลสองรี่สิเจ็ดนี่ผิดศีลของพระนี่ท่านห้ามไม่ให้ช่วยตัวเองคําถามต่อไปจากคุณพงค่ะเวลาสถานที่การนั่งสดมนสามารถทําได้ทุกที่ที่จิตเราสงบเราพร้อมปฏิบัติไปของเราเรื่อยๆจะส่งผลช้าและเร็วอย่างไรคะก็สงบมากก็จะก้าวหน้ามากสลบน้อยก็จะก้าวหน้าน้อย เป้หมายคือทำใจให้สงบตลอดเวลายืนเดินนั่งนอนในสีรียบทตั้งแต่ตื่นจนหลับคําำถามต่อไปจากคุณมายุรีค่ะขอเรียนถามพระอาจารย์ค่ะว่าเรามีวิธีใดที่จะได้มาซึ่งอุเบกขาได้อย่างรวดเร็วไหมคะเพราะสิ่งแวดล้อมปัจจุบันล้วนส่งเสริมกิเลสให้เรามีความอยากอยู่เสมอค่ะก็ต้องไปอยู่วัดนะไปบวชเป็นแม่ชีหรือเป็นพระ เพื่อที่จะได้มีเวลาจเจริญสติและนั่งสมาธิได้อย่างเต็มที่ไม่บวชก็ได้ถ้ามีที่อยู่คนเดียวแล้วปฏิบัติตามลำพังได้ก็เหมือนกับเป็นนักบวชอยู่ดีนะคําำถามต่อไปจากคุณโอมค่ะถ้าถือศีลแปดอยู่บ้านสามารถคุยโทรศัพท์หรือวิดีโอคอลคุยกับแฟนเหมือนทุกๆวันยังทำได้ไหมครับยังติดต่อกับคนได้อยู่แต่ ฟังที่ดีไม่ควรจะติดต่อดีกว่ายกเว้นมีธุระจําเป็นจริงๆเพราะก็ยังถือว่าเป็นการส่งจิตใจออกข้างนอกถ้าต้องการให้จิตใจสงบก็ไม่ควรที่จะติดต่อกับใครเลยคําถามต่อไปจากคุณวารูค่ะเวลาเดินจงกรมและเริ่มเจริญทางด้านสติปัญญาตอนไหนคะต่างกับเวลานั่งสมาธิอย่างไรคะคือการนั่งสมาธิและเดินจงกรมนี้ ก็เป้าหมายแรกคือต้องการให้หยุดคิดเพื่อให้จิตสงบให้เป็นอุเบกขาให้มีความสุขจากความสงบพอได้ความสุขได้ความสงบแล้วขั้นต่อไปเวลาเดินเราจะคิดไปทางปัญญาก็ได้เพื่อให้ใจรู้ว่าอะไรเป็นทุกข์อะไรไม่เป็นทุกข์รู้ว่าอะไรเป็นเหตุที่ทำให้ใจทุกข์แล้วก็ไปดับเหตุเ ห, เหล่านั้นเสีย เมื่อดับเหตุดอนนั้นได้ความทุกข์ใจก็จะหายไปอันนี้ก็เรียกว่าปัญญาคําถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะนั่งสมาธิในบางครั้งจะมีความรู้สึกมือเบาร่างกายเบาหรือแต่ลมหายใจที่ชัดตกผวังเบาๆหรือบางครั้งไม่ตกภวังนั่งแบบนี้ต่อไปหรือว่าควรจะทําอย่างไรต่อครับก็นั่งไปเรื่อยๆให้มันจิตมันรวมให้มันตกผวังให้มันรวมหรือสักแต่ว่ารู้ ให้มันมีโอเบกขาไปเรื่อยๆบ่อยๆนานๆพยายามนั่งให้นานขึ้นให้ยาวขึ้นคำถามต่อไปจากคุณสุพัฒนค่ะกลับนมัสการพระอาจารย์ครับวันอาทิตย์ที่แล้วได้ไปฟังธรรมกับท่านที่วัดกลับมาที่บ้านรู้สึกกำลังปฏิบัติได้เข้มขึ้นเยอะเลยครับวันนี้ตื่นขึ้นมาเที่ยงคืนห้าสิบปดก็นั่งทำความเพียรได้ สองจุสิบเจดนาทีสองชั่วโมงสิบเจนาทีเวทนาน้อยไม่เหมือนทุกวันนั่งจงรู้สึกปวดและถอนสมาธิออกแต่พิจารณาร่างกายได้ละเอียดแยบคายแบบนี้ไม่เคยเป็นมาก่อนแบบนี้เราควรนั่งพิจารณาต่อดูลมหายใจจนกว่าจะว่างหรือลุกขึ้นมาเดินจงกรมดีครับก็แล้วแต่เราจะเห็นทุก่วสมควรนะทา เป้าหมายก็คือถ้าทำสมาธิให้ใจสงบไม่ให้คิดปุงแต่ถ้าจ ะ, จะเจริญปัญญาก็ต้องให้เห็นใยรักเห็นอริยสัจสี่เห็นว่าความอยากเกิดจากความทุกข์แล้วแต่เราจะปฏิบัติแบบไหนก็ได้คำถามต่อไปจากผู้ฝากถามค่ะ ขอเมตตาพระอาจารย์อธิบายว่าใจไม่ใช่ของเรานั้นคืออะไรเจ้าคะวันก่อนลูกฟังเทศพระอาจารย์ทาง u t u b e ขอเมตตาพระอาจารย์อธิบายขยายด้วยความคือใจ ก, ก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเหมือนเหมือนกับพระอาจารย์พระอาทิตย์เราไม่ไปเรียกว่าพระอจารย์พระอาทิตย์เป็นเราเป็นของเราใจคือผู้รู้ผู้คิดก็ไม่ใช่เราเป็นไม่ใช่ของเราแต่ใจมันมีความหลงอยู่ในใจมันไปหลอกให้เราไปคิดว่าเราเป็น เราเป็นผู้รู้ผู้รู้เป็นเราอัามจริงผู้รู้ก็เป็นผู้รู้เท่านั้นเองมันไม่ได้เป็นเราแต่ใจผู้รู้นี่มันมีความคิดแล้วความคิดมันหลงผิดหลงไปคิดว่าใจนี้เป็นเราเหมือนกับเราไปหลงคนโบราณไปหลงคิดว่าโลกนี้แบนไงไม่เป็นเพียงความคิดเท่านั้นเองมันไม่ได้เป็นความจริงความจริงโลกนี้กลมแย่ใดใจนี้ก็เป็นผู้รู้เป็นธรรมชาติที่รู้ เรียกว่าธาตุรู้ไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวตนแต่ในธาตุรู้มันมีตัวคิดแล้วตัวคิดมันมันมันมีตัวหลงตัวหลงมันไปหลงคิดว่าตัวรู้นี่คือตนเป็นเราขึ้นมาเท่านั้นเองคำถามต่อไปจะคุณมีเจี๊ยบค่ะหากถือสินแปะตอนเย็นไปออกกําลังกายเข้าฟิตเนสหรือออกกําลังกายในบ้านได้หรือไม่คะและสินแปะทานโอเลี้ยงชาดําเย็นได้หรือเปล่าคะ สำหรัคารวาสก็ทําได้ถ้าจะไออกกําลังกายอันนี้ก็ไม่ผิดศีลแปดแต่อย่างใดทําโมเลี้ยงดื่มกาแฟอะไรก็ทําได้ก็ไม่แต่อย่าเป็นอาหารก็แล้วกันอย่าไปทําอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วคํำถามต่อไปจากคุณเนตตี้ค่ะการเห็นพบชาติการเวียนไหวใจเกิดพบชาติการเปลี่ยนแปลงมีประโยชน์อย่างไรคะก็จะได้เห็นว่าเราเป็นเหมือนนักโทษเนี่ย เราเป็นนักโทษที่ติดอยู่ในคุกตารางของการเกิดแก่เจ็บตายเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายตายแล้วก็กลับมาเกิดใหม่แล้วการเกิดแต่และครั้งก็มีแต่ความทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องหยุดการเกิดแก่เจ็บตายไปหยุดความอยากที่เป็นเหตุที่พาให้เรามาเกิดจะหยุดความอยากได้ก็ต้องปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ทำทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนาคำถามต่อไปจากคุณฟอสทางย t u b e ค่ะขอพระอาจารย์ช่วยอธิบายโทษของการปุกรุกบ้านของคนอื่นหรือโทษของตู้เกมมาให้หน่อยได้ไหมครับก็บ้านของคนอื่นเราไปปุกรุกเขามันก็เหมือนกับไปแย่งบ้านเขาหรือไปทำไปรบกวนไปเบียดเบียนเขาไปทำให้เขาไม่มีความสุขมีความทุกข์ ก็ต้องต้องย้อนกลับแล้วถ้าคนอื่นเข้ามาบุกรุกบ้านเราเป็นอย่างไรเดังนั้นผลของกรรมที่เราทําต่อผู้อื่นมันจะกลับมาหาเราต่อไปทํากรรมมันใดไว้จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นส่วนเรื่งตูเกมนี่ไม่รู้ตูเกมมันก็ทําให้เราเล่นเรติดมันก็เป็นเหมือนยาเสพติดแล้วมันก็จะทําให้เราไม่ไปทํางานทําการไม่ไปเรียนหนังสือไม่ไปทําสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์เพราะตูเกมเล่นแล้วมันไม่มีประโยชน์อะไร มันเป็นความเพลิดเพลินสนุกแล้วผ่านไปหมดแล้วเนอะโอเควันนี้ก็คิดว่าเวลาอากาศมันค่อนข้างที่จะไม่สะดวกเนั้นถ้าไม่มีคำถามอะไรก็คิดว่าจะขอยุติการสนทนาธรรมไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านจงมีขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ